เหมือนอย่างในคั้างพุทธเจ้านั่ะคนที่มีบุญแตกกุศลได้หนนหลังหนาหนุนส่งนั้นมีอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวที่เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบจดสนเสริญตลอดถึงได้บรรลุอริยสัจธรรมขั้นตน้นเช่นเนเป็นพระโสดาบัน แต่ก็ยังครองเรือนอยู่หมู่ด้มีอยู่มากมายทีเดียวแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะอย่างว่าเรื่องไม่น่าเชื่อก็มีคนใช้ของเศรษฐีอยู่ในกรุงราชพฤกษ์นั้นครอบครัวหนึ่งผัวกับเมียกับลูกสาวคนหนึ่งก็ไปรับจ้างไถนาให้เศรษฐีอันอันฝ่ายผัว น, นั้น กูเมียนั่นเด้ดทำหุงหาอาหารตอนเช้าแล้วก็เอาไปส่งเข้าให้สามีแล้วประทานกันอย่างนี้เป็นประจำมาทุกปีทุกปีมาคราวนี้ปีที่จะได้ร่ำรวยจะได้เป็นเศรษฐีนั้นบังเอิญท่านพระสาริบุตรเข้าในโลดสมาบัติอยู่ได้เจ็ดวัน เมื่อออกจากใิโรดสมาบัติแล้วท่านก็พิจารณาดูว่าใครหนอที่ท่านควรจะสงเคราะห์ให้เขาได้รับผลบุญในปัจจุบันนี้นเมื่อท่านพิจารณาไป็เอครอบครัวนี่แหละครอบครัวคนใช้ของเศรษฐีนี่ก็ไปต้องขายยานของท่านท่านพิจาณาเห็นว่าเออ คนเหล่านี้เขามีบุญมาแต่ก่อนแต่ว่ามันก็มีกรรมอันหนึ่งมาปิดบังไว้เนี่ยคนเรามันทําทั้งดีทั้งชั่วตอนที่หมอเป็นคนใช้เขาอยู่นั่นนายบอกกรรมชั่วที่พวกนั้นทําไว้มันมาให้ผลวันนี้กรรมชั่วที่มันให้ผลให้เป็นคนใช้เขานั้นมันจวนจะหมดลงอยู่แล้วมันก็เลยไปต้องไขางานของพระ菩าลีบุตร<ม>เทวดาเจ้า เนื่องจากท่านออกจากในโลดสมาบัติมาใหม่ๆเมื่อท่านรู้ว่าครอบครัวนี้แหละจะเป็นผู้มีบุญเราจะได้สงเคราะห์ว่างั้นรุ่งเช้ามาท่านก็เกียนตัวภายบาทเดินออกไปทุ่งนาน่นพอเดินไปไปถึงนาของเศรษฐีที่ คนชายไถอยู่นั่นเลยท่านก็ไปยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้ใกล้กับนาใกล้กับชายคนนั้นไถนาอยู่ชายคนนั้นมั น, นึกเอ๊ะท่านก็พูกเป็นเจ้านี่มายืนอยู่ทำไมโน่อยู่นี่ชลอยว่าท่านต้องการไม้สีฟันหรือไงหยุดควายแล้วก็ไปตัดเอาไม้อยู่ที่ช่องปลูกนั่น เอามาทุบทุกทุกให้เป็นฝอยอ่อนอ่อนดีแล้วก็เอาถวายท่านหาน้ามาถวายให้ท่านล้างปากท่านก็รับเอาน้ำรับเอาไม้สีฟันแล้วก็ถูฟันล้างปากเสร็จแล้วท่านก็เดินย้อนกลับเข้าไปในเมืองในขณะนั้นภรรยาของไอ้ชายคนนั้นนำอาหารจะมาให้สามี รับประทานพอไปเห็นพระสารีบุตรเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นเอ๊ะเมื่อเราพบท่านแต่ก่อนนะเราก็ไม่มีทายอทานมาวันนี้เราพบท่านเรามีทยทานนะ เ, ราเราจะเอาอาหารที่ให้สามีรับประทานนี่ใส่บาตรให้พระผู้เป็นเจ้านี่แล้วเราจะกลับไปทำม า, าใหม่เพราะงั้นก็คิดอย่างนี้แล้วก็เอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านจนหมดเลย ท่านก็ให้ล่าให้พรเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปสู่วัดแล้วส่วนหญิงคนนั้นก็กลับบ้านไปทำอาหารวายสามีนั่นไถนาไปมาได้เวลาแล้วก็ตดควายออกปล่อยกินหญ้าตัวเองก็ไปนั่งคอยอยู่ห้างนานั่งคอยภรรยาอยู่ วันวันนั้นรู้สึกว่านานกลัวทุกวันที่นี้สามีก็นั่งคอยอยู่พอภรยานําอาหารไปถึงภรยาก็รีบเตือนสามีก่อนกลัวว่าสามีจะโกรธเข้าใจผิดไปวันนี้นะฉันมาช้าคุณพี่อย่ากโกรธนะให้อดทนไว้ก่อนฉันจะพูดให้ฟังหัวเงิน เมื่อฉันนำอาหารออกจากบ้านมามาพบทรานพระสารีบุตรอยู่ที่ทุ่งนาก็ได้เกิดศรัทธาขึ้นเลยน้อมอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านหมดแล้วก็กลับไปทำมาใหม่เพราะฉะนั้นมันจึงสายหวงนั้นฝายสามีนั่นแทนที่จะโกรธภรรยาไม่โกรธเออถ้าอย่างนั้นเป็อนอันว่าเราก็ได้ทาบุญร่วมกันนะวันนี้นะท่านท่านมายืนอยู่ที่นี้ ที่จอมปลวกเนี่ยที่ใกล้จอมปลวกนี่ฉันก็ได้ถวายน้าถวายไว้สีฟันในท่านสำาระล้างปากว่ า, างั้นอืมอ่าต่างคนต่างเราก็ได้ทำบุญกับท่านด้วยการกะขออนโมทนาสาธุบุญกุศลซึ่งกันและกันส่างฝ่ายต่างกบอนโมทนาบุญกุศลซึ่งกันและกัน าปสามีก็รับประทานอาหารนั่นไปเสร็จแล้วเหนื่อยก็เลยนอนพักผ่อนไปอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาลืมตาไปทางไอ้ไล่นาที่ไถมือเช้านี่นั่นปรากฏว่าก้อนขี้ไถนั่นเหลืองเหมือนทองคำเลยที่นี่ก็เลยถามเมียเอ๊ะทำไมนี่ย ตาฉันมันฟ้าฟางหรือไงอ่ะทําไมฉันมองไปที่ก้อนขี้ไถที่นาที่ไถมือเช้านี่นะมันทําไมมันเหลืองเหมือนทองคําเธอลองมองดูสิเป็นยังไงบ้างฝ่ายพระรา ม, มองไปก็เห็นเป็นทองคําเหมือนกันอืเออเนี่ฉันก็เห็นเป็นทองคําเหมือนกันนะอา้าวใช่งั้นเราไปดูอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะ ก็ไปดูกันพอไปถึงที่นั่นแล้วหยิบเอาก้อนใดก้อนหนึ่งมาดูก็เป็นทองคำจริงๆจกลงว่าก้อนที่ไถที่ไถวนนันนั้นเป็นทองคำหมดเลยศึกษากันเราจะทำยังไงบะนี้เอ๊ะถ้าเราจะต้องอาศัยพระราชา<อ>ไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกคนมาแย่งชิงเอาไปหมดแล้วสมบัติเราหนีว่างั้น ก็เลยชวงกันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสานไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าพิมิสานก็ทรงรับสั่งให้นำเกวียนห้าร้อยเล่มออกไปสู่ทุ่งนาแล้วก็ให้คนงานไปเก็บก้อนขี้ไถนั้นใส่เกวียนของใครของเราบันดนี้คนคนที่ไปเก็บก้อนขี้ไถขึ้นใส่เกวียนนั่นน่ะ ถ้าไปนึกว่าก้อนนี้เราจะเอามันนี้ก็เอาใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงบ้างที่ไหนได้ก็ออกมาดูเป็นก้อนดินธรรมดาเนอนั่นแหละคนไม่มีบุญนะถ้าเอาโยนวางลงไว้กับหมูวันนั้นเกิดเป็นทองคำขึ้นถ้าหยิบออกมาใส่กระเป๋าเป็นดินเนอนี่แหละ เลยตกลงว่าคนเหล่านั้นจะไปโกงเอาสมบัติของเพื่อนไม่ได้สักคนเดียวเพราะว่าไม่ใช่บุญของตนบุญของของเพื่อนตั้งหากแต่ตกลงว่าก็ต้องขนเอาทองคำนั่นบรรทุกเวียนตั้งห้าร้อยเล่มไม่ทราบจะมากน้อยขนาดไหนอ่ะออืเอาไปไปกองไว้หน้าพระลานหลวงของพระเจ้าวิมพิสารหนึ่งพระเจ้าวิมพิสารก็ให้เจ้าหน้าที่ไปประกาศ เป่าร้องให้พวกเศรษฐีทั้งหลายมาชุมนุมกันไอมาประชุมกันแล้วพระเจ้าวินทรสานก็ถามว่าในเมืองราชคฤห์เ น, นี่ยมีเศรษฐีคนไหนบ้างที่มีทรัพย์เท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมมั้งใครๆก็บอกว่าไม่มีอือไม่มีใครจะมีทรัพย์สมบัติมากอันนี้ไม่มีเลยในเมืองราชคฤห์อือถ้าอย่างนั้น เราก็จะตั้งให้เขาเป็นมหาเศรษฐีก็เลยให้ให้ตราตั้งเป็นมหาเศรษฐีเลยเามีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งอยู่แห่งหนึ่งในกรุงนั้นประชจ้ามีมศาลก็ทรงประทานให้ไปสร้างปราสาทยอยู่บ้านร้างหลังนั้นก็เลยได้เป็นมหาเศรษฐีจากคนรับจ้างเขา แต่สมัยได้นเขาเรียกว่าทาสาทาสีผู้ชายเป็นทาดผู้หญิงเป็นทาสีกลายมาเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นั่นยังไม่พอเอา้าสามพ่อลูกชวนกันไปทำบุญถวายทานเล้วฟังเทศพระพุทธเจ้าองค์แสดงธรรมจบลงสามพ่อลูกได้บรรลุโสดาบันทั้งหมดเลย นี่แหละตกลงว่าคนทั้งสามคนนั้นนะเลยได้สมบูรณ์ได้ร่ำรวยทั้งโลกิยะทรัพย์โลกุตระทรัพย์ไปพร้อมกันเลยเออนี่แหละถ้าว่าโดยเหตุผลแล้วหมายความว่าสองผัวเมียกับลูกสาวนั้น แต่เข้าใจว่าเขาคงมีศีลห้าเขาคงไม่ทําบาปอืคนเหล่านั้นเพราะว่ารักจ้างเศรษฐีคนแต่ก่อนมันซื่อสัตว์ผู้ซื่อสัตว์ก็มีผู้คดก็มีอย่างว่านั่นแหะคนพู้นี้คนครอบครัวนี้ของจะเป็นคนซื่อสัตว์เรารักจ้างเศรษฐีเศรษฐีให้รางวัลเท่าไรก็ใช้จ่ายไปเท่านั้น ไปอย่างนั้นเขาก็มีอาชีพบริสุทธิ์คือไมท่ทําบาปไม่ช่อไม่โกงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรหมู่นั้นเ่ยเดี๋นั้นจะว่าไปต้องขายงานของศพศรระสาทิบุตรเพราะเขาเป็นผู้มีศีลมีธรร ม, มแล้วก็เทชาติก่อนก็คงได้มีศีลมีธรรมติดตัวมาโยคงได้ทําบุญกุศลตามมา แต่ก็อย่างว่าในระยะนั้นมันมีบาปมาตามสนองเอาก็เลยตกไปเป็นธาตุของผู้อื่นไปสู่ระยะหนึ่งเรนี้พอบุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนนั้นนะมันจะมาอํานวยผลให้แล้วมันจึงได้บันดาลให้ได้ทําบุญถวายทานแดท่ท้าวปเสนียบุตรซึ่งเป็นอัคคสาวกเบื้องขวาของพระเจ้าแล้วเป็นพระอาราหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วโดย ก, การทั้งปวง การให้ทานแกท่านผู้ไเสร็เช่นนั้นนะมันถึงมีผลมากทานน้อยก็ได้ผลมากเพราะว่าท่านพระสารีบุตรก็เป็นอาคษาวกเบื้องขวาได้สร้างบา ร, รมีมาสั่งสองอสงไขยนู่นกว่าจะได้เป็นอาคษาวกก็ดีได้ชื่อว่าท่านมีคุณวิเศษอยู่ในใจอย่างมากมาย น่มีซ้ำท่านยังออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆาาาหม่พระอรหันท่านองค์ใดเข้านิโรธแล้วออกจากนิโรธสมาบัติมาในใหม่นี่ใครได้ทำบุญเท่าไอ้ท่านแล้วมีหวังได้รับผลบุญในในวันนั้นเองเนี่ยไม่ไม่ต้องไปถึงชาติหน้าเลย น, ะนั้นนี่ <c oughs> ถ้าได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ธรรมดา ซึ่งถ้าไม่ได้ออกจากนิโรธสมาบัติอะไรเลยแม้จะเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามก็ยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อน เ, ออเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญกุศลนี่มันจึงมีผลยิ่ยงย่อนกลัวกันเหมือนอย่างคนทำนาเอา้านาที่ดินไม่ดี น้ำก็ไ ม, อมอนะ่อุดมอย่างนี้นะกับนาที่ดินดีน้ําก็อุดมมือเมื่อชาวนาเขาทำนาลงไปแล้วลงไปสังเกตดูสินี่ข้าวนาดําที่ดินไม่ดีน้ําก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยสูบซีดนาที่ดินดีน้าจุ่มน้ําไม่ขาดแคลนเจ้าของรักษาถอนหญ้าอะไรออกข้าวงามเขียวชะอุ่ม พริตดอกออกรวงได้เต็มเม็ดเต็มน่วยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยการทำบุญให้ทานเมื่อท่านผู้ใดได้ให้ทานแก่ท่านผู้วิเศษดังกล่าวมานั้ น, นมันก็มีผลมากอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ทานแก่บุคคลผู้นด้ไปด้วยกิเลส พุนาไปด้วยคิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็มีผลน้อยเหมือนอย่างไปทานาทาสวนใส่ที่ดินที่แห้งแ้งไม่มีรถไม่มีชาติน้มก็ไม่อุด ม, มก็ย่อก็ย่อมได้ผลน้อยสันดาการทำบุญแก่คนทุศิลคนไม่มีศิลไม่มีทำบัณดีงามอย่างนี้มันก็ได้ดอกบุญนะแต่ว่าได้ได้น้อยมันก็ชั้นนั้นแหละ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าบรรดานาทั้งหลายย่อมมีญาติเป็นโทษโมัติมีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ได้ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะโมหะแล้วจึงชื่อว่ามีผลมากดังนี้อันนี้พระองค์เจ้า ย, ยก ข้ออุปมาอุปมาเปรียบเทียบเออก็น่าฟังอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละนาทั้งหลายนี่มีหญ้าเป็นโทษนาทั้งหลายนี่ก็เปรียบเหมือนอย่างปฏิคาหกผู้รับทานของทายกทา ย, ยิกานั้นเองเนี่ยเนื้อ ว, วันี้ทายกทา ย, ยิกาได้ให้ทานแก่เออ นัก nah